มาดูในจุลท่าสูตรนะจุลทสูตรนี้เป็นกล่าวถึงทิฏฐิที่เป็นผลมาเป็นข้อปฏิบัติซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะสมัยที่พระพุทธศาสนายังไม่มีในโลกเขาก็นับถือกันนะเขาก็ถือว่าเป็นลัทธิที่ดีนะแล้วก็เขาก็เคารพกันแล้วก็มีผู้ปฏิบัติลักษณะนี้เป็นล่าําเป็นสรรตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยนี้ก็ยังมีการกระทําอยู่ก็คืออาบน้ำล้างบาปเนี่ยนะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรใกล้เมืองปาวานายจุนทะนี้คือคนที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายที่พระองค์ก่อนจะดับขันปรินิพานนะนนี้พูดถึงเหตุการณ์ครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าไปเผยแผ่นะครั้งนั้นแลนายจุนทะกัมมารบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรักระนายจุนทะกา ม, มารบุตรว่าดูก่อนจุนทะท่านชอบใจความสะอาดของใครหนานั่ น, นคอคือถือว่าไอความบริสุทธิ์หรือความสะอาดเนี่ยท่านชอบลับทธิของใครหรือว่าชอบสายไหนที่จะถือว่าทําให้สะอาดทําให้บริสุทธิ์ได้นายจุนทะกามมารบุตรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์ชาวปัตฉาภูมิผู้ถือน้ําเต้า และสวมพวงมาลัยเนี่ยนะสาหรายบำเรอไฟคือบำเรอไฟก็คือการย่างกิเลสใช่ย่างให้มันสุกเสร็จแล้วก็ลงน้ำไปอาบแล้วก็ล้างบาปออกไปเรียกว่ายอมบำหยัดความสะอาดเอาไว้ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของสมณพราหมณ์พวกนั้น คือเขามีผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้นะมีผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้ก็มีร้องเรียกศรัทธาให้มีคนไปเชื่อถื อ, อการเชื่อถือรับที่เหล่านี้เขาไม่เรียกศรัทธาเขาเรียกว่าทิฏฐิที่ไปเห็นด้วยกับเห็นด้วยกับหลักการอันนี้เนี่นะซึ่งไม่ใช่สัจทินีแต่เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเห็นด้วยกับหลักการนั่นเองเห็นด้วยว่าถ้าย่างไฟนะไปผิงไฟให้มันร้อนแล้วก็ลงอาบน้า เนี่ยนะมันเป็นการล้างบาปล้างกิเลสของเราเห็นด้วยไหมคุณก้อยใจไม่เอาอไม่ทิ้งไฟให้มันร้อนเนี่ยนะ ก, ก็ลงอาบน้ำเอาล้างบาปออกไปนนะ <c oughs> ใจเข้าไปในวัดเชนแล้วก็โหแก่พาก็ะยกมือไหว้ปะลกประลกในคะณะทัวไปกราบสังเวชนิยสถานนี่แหละแลงว่า ไ, ไม่รู้อะไรเลยนะไปก็คลั้งหมดนับถือหมด <c oughs> ไม่รู้ไปไหว้ใครเป็นใครแล้วกันนี่ไม่ได้ดูให้ดีเลยนะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนจุนทะก็พวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือน้ําเต้าสวมพวงมาลัยสาหายบำเรอไฟลงน้ําเป็นวัดย่อมบําหยัดความสะอาดไว้อย่างไรเล่านะคือไอาการลงอาบน้ําเนี่ยเขาทํำยังไงกันนายจุนทะก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานเทวโรกาส พวกพราหม์ชาวปัตฉาภูมิผู้ถือน้ำเต้าผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลาัยสาหรายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดเนี่ยย่อมชักชวนสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรูพึงจับต้องแผ่นดินเดี๋ยนะให้เอามือไปลูบแผ่นดินน้อยยังก่อนถ้าไม่จับต้องแผ่นดินก็พึงจับต้องโคไม่สดเดี๋ยนะแต่จับขี้วัวนะ ถ้าไม่จับต้องโคไม่สดก็พึงจับต้องหญ้าเขียวสดเนี่ยนะไปรูปหญ้าเปื้อนน้าค้างนะถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสดเนี่ยนะก็พึงบำเรอไฟบอกถ้าไม่บำเรอไฟพึงประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์นี่นะไหวดวงอาทิตย์ก็ได้ถ้าไม่ประนมมืออัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็พึงลงน้ําเนี่ยสามครั้งทั้งเวลาเช้าวเวลาเย็นคือให้มันได้อย่างใดอย่างหนึ่งในกระบวนท่าที่กล่าวไปเนี่ยนะ ดังนี้ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหม์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหรายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดอย่างนี้แลข่าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหม์พวกนั้นเห็นไว่าโดยรวมๆนะละทัทธิสมัยยาวาบุระสมัยพุทธกาลสมัยนี้ก็ยังมีแล้วไม่ใช่มีในาศาสนาเดียวด้วยมีหลายาศาสนาที่ใช้น้าเนี่ยชาระล้างเยนะ ใช้น้ําแต่ว่าแหล่งของน้ําก็แล้วแต่ใครจะบันดาลว่ามาจากแหล่งไหนแต่ก็คือใช้น้ําเดียวกันคือคือยังใช้น้ําอยู่เหมือนเดิมในการล้างบาปเนี่ยนะแม้แต่การเข้ารีตนอกศาสนาอื่นบางศาสนาที่ไม่ใช่ของพุทธเนี่ยนะถ้าจากพุทธไปแล้วเข้ารีตก็จะต้องไปอาบน้ำล้างเนี่ยนะเพื่อจะเข้าลับทิศของเขาไปก็จะได้สะอาดจะได้บริสุทธิ์เนี่ยนะไอ้วิธีล้างขณะนั้นเนี่ยเป็นศีละพรตูปปาทานแล้วก็เมื่อมีข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ก็เป็นศีลพตัตโตปาทานทั้งนั้นอันไปอินเดียนี้ที่ได้สังเกตอย่างหนึ่งคือเนี่ยสังเกตไอ้ข้อปฏิบัติคือศีลพตัตโตปาทานเนี่ยเพราะมันมีไม่รู้กี่สิบลทัทธิต่อกี่ลทัทธิอันไอ้พฤติกรรมที่เกิดจากทิฏฐิทั้งมวลเนี่ยนะมีทิฏฐิเป็นสมุทฐานขอให้รู้เถอะว่านั่นเป็นศีลพตัตโตปาทานหรือศีลพตัตะปาปรามากหรือมิฉามะ ก, ก็ได้เนี่ยนะเป็นมรรคปัจจัยเนี่ยนะตัวทิฏฐิเป็นสมุทฐานเป็นมรรคปัจจัย แต่ว่าเป็นมิจฉา ม, มา ก, ก น, นะนันก็มีกลุ่มที่ศรัทธาไม่ใช่น้อยใช่นายจุนท่านนี่ก่อนที่จะมานับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือลัทธินี้อยู่เพราะถือว่าเออถ้าทำอย่างนี้มันก็บริสุทธิ์ได้ได้จริงเนี่ยนะังนั้นผู้ที่ไม่ศึกษาคำสอนที่แง้ น, น่าดูศาสดาเนี่ยนะใครพูดฟังแล้วมันสมเหตุสมผลนี่ก็ก็เชื่อแล้วนะก็เพราะคนไม่มีสาระนะใครพูดมีเหตุผลหรือตัวเองเนี่ย อดีตชาติเคยสะสมไอ้ทิฏฐิอันนั้นมาก็พร้อมที่จะจะเห็นตามแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าสังสารวัตอันยาวนานเนี่ยนะทิฏฐิไหนมั่งที่ไม่เคยเจริญเว้นโสดาปฏิมคทิฏฐิซะทิฏฐิที่เหลือนี้ไปทำมาหมดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุผลบางอย่างนะพร้อมที่จะเป็นแบบนั้นทันทีเพราะถ้าเกิดไปสำมวจนว่าเกิดไปล้างอาบน้ําล้างบาปมาทีิ้งถูกหวยครั้งหนึ่งโอ้เชื่อกันใหญ่เลยนะีย ยิ่งเชื่อมากขึ้นรวยมากขึ้นอะไรมากขึ้นมีในในสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยเขามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งะนะพระราชาเนี่ยไปถอดโสเพณีเนี่ยออกจากตําแหน่งโสเภณีโบราณนี่เขามีตําแหน่ง เ, เขามีตําแหน่งให้เหมือนกับตาแหน่งเศรษฐีเลยตําแหน่งโสเพณีเนี่ย พระราชานี่ไม่พอใจแล้วก็ถอดออกจากตำแหน่งนางก็เสียใจมากก็ไปเคี่ยวไม้สีฟันเนี่ยก็มาแปลงฟันอ่ะนะแล้วก็ถมใส่รูอีเขา้ารือีนั้นเป็นรูอีมีชานนางเข้าสมาบัตินิ่งไงนะไอนางหญิงคณิกาคนนี้ก็ไปเคี่ยวไม้สีฟันบ้วนปากถมด้รือีคนเนี้ยเสร็จแล้วอีกพักหนึ่งพระราชา น, นึกได้ก็เรียกมามาแต่งตั้งไว้ตามเดิม นางก็เลยคิดว่าเออเนี่ยวิธีการล้างบาปล้างสำนวนว่าล้างซวยเนี่ยนะคือเคี่ยวไม้สีฟันก็ไปถมรถอิตาลุสีคนนี้แหละเนี่ยนะก็สีได้ชานด้วยเสร็จแล้วก็ปุโรหิตคนหนึ่งเนี่ยนะถูกพระราชาถอดอีกก็ไปถามว่าเออเธอเนี่ยทำยังไงเขาจึงพระราชาจึงแต่งตั้งเธอคือนเนี่ยก็บอกไปทําอย่างนี้สิปุโรหิตก็ไปเอามั่งเนี่ยนะเคี่ยวไม้สีฟันบ้วนปากใส่รูสีเนียนะ แล้วอีกพักหนึ่งพระราชาก็เรียกเข้าได้รับตำแหน่งตามเดิมอีกเออมันเข้าเขาอีกพักนี้ก็มีปัญหาละบ้านเมืองจะเกิดคือคือมีสงครามขึ้นก็ปรึกษากันไว้ออสงครามครั้งนี้จะทำยังไงจึงจะชนะกําลัง น, นก็ไปปรึกษาก็บอกให้ทั้งกองทัพเนี่ยเคี้ยวไม้สีฟันเนี่ยไปถมนฤศีเนี่ย <c oughs> อัะนนะ ก, ก็นฤศีกก็เข้าชาน่อยนะมัได้ออกมารับรู้ไอ้ปัญจทวาลอยู่แล้วแล้วมันแเข้าชาอยู่ก็ เขาบอกว่าไอ้กองไม้สีฟันเนี ard, thrill, ul, unos, ่ยนะไม้ก็เหมือนกับแปลงฟันอ่ะนะถมๆจะกองท่วมหมดอ่ะทั้งน้ำลายน้ํามกน้ํำสเลตเนี่ยนะจะท่วมไปหมดอ่ะเขามีเสนาบดีอ่ะเป็นอุปถากรือศีคนนี้เสร็จแล้วกองทัพก็ยกไปยกไปก็ชนะอีกกลับมาอีกอ่ะนะโอ้ยเขาทุกคนเนี่ยดีใจว่าแม่ไอ้การทําอย่างนี้มันเป็นดีจริงๆเลยนะเสนาบดีเนี่ยไม่รู้ก็ไปดูอ้าวพระผู้เป็นเจ้าเราตายเลยนะก็ไป ไปเอาปาดออกแล้วเอามาล้างน้ำมาชําระให้ท่านเป็นอย่างดีอ่ะนะแล้วก็ถามว่าตอนนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างพระคุณเจ้าบอกนะบอกพระราชาเนี่ยกาลังจะปรึกษาเออเทวดาเขาปรึกษากันเป็นสองพวกว่าจะเอายังไงกับเมืองนี้ดีเนี่ยนะจ้างก็บอกว่าจะฆ่าพระราชาคนเดียวพระราชาบอกไม่ได้มันต้องทําลายทั้งเว่นแคว้นให้มันหมดเลยเหมือ น, นกันก็ ตกลงว่าฝ่ายเทวดาที่ชนะก็คือเทวดาที่จะทำลายแว่นแคว้นนี้ให้มันพี่นาททั้งแว่นแคว้นเลยท่า น, นเทวดาพวกนั้นชนะเพราะฉะนั้นฤาษีก็บอกว่ า, าวิธีแก้ก็คือให้มาขอเข้ามาฤาษนะีถ้าไม่ขอขอมาเนี่ยบ้านเมืองจะพี่นาทหมดนั่นก็ เสนาบดีก็ไปบอกพระราชาพระราชาไม่เชื่อเพราะว่าทำแล้วมันดีหมดเลยนะมันแห่งมาตลอดนะโชคดีตลอดเลยเพราะว่าว่าไปถมน้ำลายรถฤศีเนี่ยเสร็จแล้วฤษีก็บอกว่าให้คนที่พอจะเชื่อถือท่านนะให้ย้ายออกจากแว่นแคว้นนี้ให้หมดเลยนะใครที่ไม่ทําบาปนะพวกนั้นจะออกจากแว่นแควนหมด ทีนี้เอกพักหนึ่งอ่ะฝนดอกไม้ก็ตกลงมาดีใจกันใหญ่เลยนะทําแบบฤาษีเนี่ยดีจริงๆฝนดอกไม้ก็ตกฝนเงินฝนทองก็ตกเนี่ยนะก็ออกมาเก็บฝนเงินฝนทองนั้นดีมากเลยนะทาลายฤาษีเนี่ยเสร็จแล้วก็อีกพักหนึ่งก็ฝนดาบฝนหอกฝนธนูเนี่ยตกลงมาแล้วอีกพักหนึ่งก็ฝนก้อนหินเนี่ยตกมาทับทัอีกพักมังก็ฝนทรายมาเกลี่ยบริเวณนั้นเป็นทรายตอนหลังก็เป็นป่าขึ้นเขาเรียกว่าพวกป่า คันตกีป่าอะไรเนี่ยเขามีชื่อตำนานของป่านั้นว่าทำไมจึงเป็นป่านั้นเพราะว่าไปเนี่ยไปโยงกับผู้มีศีลนั่นแหละแล้วใ น, น, นข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยถ้าถ้าทําแล้วตอนแรกๆมันมันได้ผลทันตาเลยเนะจะอะไรก็ได้คนก็พร้อมที่จะทําขอให้มันได้ผลทันตาเถอะจะให้ไปกราบต้นกล้วยต้นไม้ใบหญ้าเอาหมดอะเนี่ ย, ยจะไปเนื้อแบก็บทั่งรูปขี้โค่นี้ก็เอาหมดอะเพราะว่าขอให้มันได้วัตถุกามเถอะ ถ้ามีทิฏฐิเป็นสมุตทฐานในเรื่องนั้นๆอันนั้นเป็นลักษณะของศีลพัตโตปาทานเนี่ยนะตั้งแต่เรื่องธรรมดาจนถึงเรื่องชั้นสูงเลยพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนจุนทะพวกพราหมณ์ชาวปัจช้าภูมิผู้ถือน้อเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหล่ายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดโดยประการอื่นส่วนความสะอาดในวินัยของพระอริยย่อมมีโดยประการอื่น ความสะอาดของลัฐที่นั้นต่างหากลาคนละอยา่างผู้ศาสนาก็มีความสะอาดอีกอย่างหนึ่งเนไหมนายจุนท่านี้ก็รู้นายนะก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสความสะอาดในวินัยของพระอริยะมีอยู่ด้วยประการใด ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ด้วยประการนั้นเถิดเนี่ยนะก็อยากจะรู้ความสะอาดในวินัยของพระริยะบ้างจะเป็นยังไงของเราบอกไล่หรือยังว่าไอความสะอาดในวินัยของพระริยะของเราเป็นยังไงนึกยากเหมือนกันนะสะอาดส่วนไหนกันแน่นะประการนึกออกแล้วนะลองดูว่าเหมือนกันหรือเปล่านะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนจุนทะถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงสายใจให้ดีเราจากเรานายจุนทะกรรมมาระบุตก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสมอย่างความไม่สะอาดทางวาจานี่มีสี่อย่างความไม่สะอาดทางใจนี่มีอยู่สมอย่างก็คืออกุศลกรรมบท10นั่นแหละเป็นความไม่สะอาดในอริยวินัยนี้เห็นไหม นถ้าจะชำระให้มันสะอาดก็เนี่ยชำระกายวาจาและใจนะจิงคำสอนในคาสอนพระไตรปิฎกทั้งปิฎกสามเนี่ยคือคำสอนที่ชำระกายวาจาใจเท่านั้นเองพระวินัยเนี่ยนะเน้นชำระกายกับวาจาส่วนพระสูตรก็เน้นชำระในส่วนของใจเนี่ยนะคือโดยเฉพาะอภิชากับโทมานัสอภิธรรมก็เน้นชำระ ทิฏกนั่นเองนะก็คือชําระกายวาจาใจานั่นเองอันถ้าผู้ที่มีความสะอาดกายวาจาใจาจริงๆนั่นแหละเรียกว่าพระอรหันต์นะไม่มีบาปแปดเปื้อนในในกายวาจาใจาเลยนะอธิบายพิสดารมาดูก่อนจุนทะก็ความไม่สะอาดทางกายเนี่ยมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติข่าสัตว์รยาบช้ามีมือชุ่มด้วยเลือด ตั้งอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเนี่ยหนึ่งเป็นผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้คือถือเอาวัตถุอันเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นขโมยเป็นผู้ประพฤติผิดในการคือเป็นผู้ถึงความประพฤติล่วงในสตรีมารดารักษาสตรีที่บิดารักษา พี่ชายเนี่ยนะน้องสาวพี่พี่สาวน้องสาวเนี่ยรักษาญาติรักษาธรรมรักษ า, รรกษาสตรีมีสามีหรือว่าผู้มีอาจยาโดยรอบโดยที่สุดแม้สตรีที่บุคคลเนี่ยคล้องแล้วด้วยพวงมาลัยดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างนี้แหละนนะก็คือฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิดในการมนั่นแหละเรียกว่าความไม่สะอาดทางทางกาย น, นนะ ฟังดูถ้าฟังไม่ดีนะก็บอกเอเนี่ยแค่นี้เหรือสะอาดเนี่ยฟังดูผิวเผินนี่เพราะไม่ถ้าผู้ที่เรียนโดยละเอียดมาจะรู้ว่าวีรตีสามเนี่ยคือโดยเฉพาะในยอย่างที่กล่าวไปคือสัมมากัมมันตะใช่ไหมเว้นจากกายยัตุเจริจสามถามว่าอารมณะปัจจัยของวีรตี น, นั้นนะคืออะไรถ้าจะสะอาดจริงๆนะ อารมณปัจจัยเนี่ยถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละวีระตีนี้จึงจะสะอาดจริงๆเพราะว่าวีระตีเนี่ยนะ เ, เกิดด้วยแม้กระทั่งอรหัตตมัคอรหัตตพลจิตเนี่ยนะถ้าถ้าคิดแบบธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะก็นึกว่าแบบไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งอะไรเลยแต่จริงๆแล้วคำว่าสะอาดทางกายวาจาใจเนี่ยศนะีล เ, เหล่านี้เป็นธรรมะที่ ลึกซึ้งมากเนี่ยนะนะเพราะมีนิพานเป็นอารมณ์นะั่นแหะจะต้องเจริญกุศลให้ให้ศีลมีนิพานเป็นอารมณ์ได้นะนะั่นแหละถ้าศีลเหล่านี้นะเช่นปาณาติบาตมีชีวิตติณสีบแล้วก็เวน้นะนะถ้าปานาติบาตนะอาทินนาทานก็มีวัตถุทั้งหลายที่ประจวบแล้วก็เว้นออกไปหรือการเมสุมิจฉาจารก็มีอารมณ์ที่จะพึงล่วงแล้วก็เว้นออกไปก็ไม่ไม่ล่วงไม่ละเมิดเนี่ยน ะ, นะ อ, ะอันนี้ ขณะที่ศีลเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นตทางข้าประหารถ้ายังมีวัตถุเหล่านี้เป็นอารมณ์นะแต่ถ้าศีลเดียวกันเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนั้นเป็นสมุทเฉทาประหารเนี่ยนะจึงจะละการล่วงละเมิดอันนั้นอย่างเด็ดขาดอย่างแท้จริงเนี่ยนะที่เป็นสมุทเฉทาประหารหรืออาจจะบางท่านคุ้นเคยมาในนามเสตุคาตะวิรัติเนี่ยนะเรียกว่าละเว้นด้วยการ เสตุขาตะเสตุก็สะพานเ่ะนะคาตะก็คือทำลายเนี่ยนะคือตัดสะพานแห่งการล่วงศิลโดยประการทั้งปวงันธะสัมมากรรมตะเนี่ยนะคือตัววีรตีอะที่ทัที่เกิดจากเวน้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมถ้าอบรมสูงสุดมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ก็นับว่าเป็นความสะอาดทางกายดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจานี่มีสีอย่าง อย่างไรดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกับปกติผู้เทศ็ศคือเขาอยู่ในสภาในบริษัทในท่ามกลางญาติในท่ามกลางเสนาหรือในท่ามกลางรา ช, ชสกุลถูกผู้อื่นนำไปเป็นพยานซักถามว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดก็จงพูดสิ่งนั้นดังนี้บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นดังนี้ เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งผู้อื่นหรือเพราะเหตุแห่งแก่อมิตรเล็กน้อยด้วยประการดังนี้นี่นะอันนี้ก็พูดเท็จนั่นเองก็เป็นความไม่สะาทางวาจาอย่างหนึ่งเป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนหมู่โน้นยุยงคนทั้งหลายผู้สามัคคีกันให้แตกกันหรือส่งเสริมคนที่พูดแตกทําลายกันแล้วนี่นะก็ เรียว่าอาชีพสอเสียดก็มีนะอาชีพทําให้คนแตกแยกกันแล้วก็ให้มันแตกแยกกันถาวรเนี่ยอย่าให้มันสามัคคีกันได้ก็มีนะนั่นไอ้สอเสียดนี่ก็นับว่าเป็นความสกปรกเหมือนกันนะทางวาจาเนี่ยชอบความแตกแยกกันยินดีในความแตกแยกกันเพลิดเพลินในความแตกแยกกันกล่าวแต่คําที่เป็นให้แตกแยกกันเนี่ยนะสอเสียดมันถ้ามันแตกกันได้เป็นความดีนะถ้ามันรวมตัวกันเมื่อไหร่เราแยกมันเพื่อให้มันแยกเข้าไว้เนี่ยนะ แลอวมันก็เป็นผู้พูดคําหยาบกล่าวแต่วาจาที่หยาบคายกล้าแข็งทําให้ผู้อื่นคล่องใจเดือดร้อนแก่ผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิคําพูดหยาบนะคือคําพูดพูดแล้วคนฟังเขาฟุ้งเลยนะเนี่ยเครียกคำหยาบจะใช้โวหารนิ่มนวลขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่พูดแล้วให้เขาสะเทือนใจให้เขาเดือดร้อนนะคำพูดอันั้นเป็นคําพูดที่นัว่าไปคือคําหยาบเพราะคําด่าบางคำเนี่ยเป็นคําที่สํานวนว่าฟังว่าไพเราะมากใช่ไหม แต่จริงๆแลว้วคนฟังรู้ว่ากาลังถูกด่าอยู่เนี่ยคือคืออันนั้น น, นับว่าเป็นคำหยาบอย่างเช่นเออเอาไปให้มันหลับซะเออเอาไปนอนอย่างเงี้ยปกติน่าจะดีใช่ไหมเอาไปนอนแต่ถ้าพูดในที่บางอย่างนี่ก็คือแปลว่าเอาไปฆ่าอย่างจักรพรรดินีจีนโบราณคนหนึ่งเนี่ยวิธีสังฆ่าเาก็คือบอกว่าเอาไปใช้แค่นี้แปลว่าต้องเอาไปฆ่าใช่ไหยบอกว่าเอาไป ก็แปลว่าไปตัดหัวฉันฟังเนี่ยฟังธรรมดามากนะแต่จริงๆน่แมจริงๆคำนั้นเนี่ยหยาบมากมันเขาบอกว่าคำใดที่ฟังแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดสมาธิเลยนะฟังแล้วฟุ้งเลยทันทีอันนี้แหละเรียกว่าคำหยาบเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือกล่าวแต่กล่าวไม่ถูกการกล่าวไม่จริงกล่าวไม่อิงอัดกล่าวไม่อิงทำไม่อิงวินยัย กล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการไม่ควรดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างนี้แหละคอนเพอรเจ อ, เ, จอเมื่อไหร่ก็เป็นความสกปรกทางวาจาเหมือนกันนะหือความไม่สะอาดทางวาจาดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางใจนี่มีสามอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบังบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีอภิชาใช่อภิชาคือเพ่งแรงจะเอาของ บุคคลอื่นเน่ยนะเห็นของบุคคลอื่นแล้วก็น้อมมาเป็นของตนคืออยากได้วัตถุอันเป็นอุปกรณ์แก้ซัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นแห่งบุคคลอื่นว่าฉันนห้เนอวัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นพึ่งเป็นของเรา น, นะเห็นแล้วก็น้อมมาเป็นของตนเลยเนี่ยนะ เป็นผู้มีจิตปองร้ายคือมีความนำริในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงทำลายจงขาดศูนย์จงพินาศหรืออย่าได้เป็นแล้วดังนี้อันนี้เป็นพยาบาทเนี่ยนะก็ลักษณะพยาบาทถ้าวิตกกันนะจะเห็นชัดอย่างหนึ่งคือแทบรถแซงรถอะไรกันเนี่ยนะไ อ, ไอกลุ่มประเภทนั้นเนี่ยพยาบาทเนี่ยจะเข้ามาเลย นึกไอ้คำพูดลักษณะแช่งชักหักกระดูกนะคำพูดความคิดที่แช่งชักอ่ะผู้ใดผู้หนึ่งอ่ะนั่นแหละเรียกว่าพยาบาทมันกรรมบทข้อนี้ล่วงไม่ยากนะมีโทษเท่าปาณาติบาตเลยสม่เมว่าแช่งให้เขาตายนะกับฆ่าเนี่ยโดยเจตนากรรมเนี่ยจะพอพอกันด้วยบาปพอๆกันมันก็บางคนก็แช่งอย่างเดียวเลยนะได้ยินเสียงก็เออไปไ ป, ไปอะไรคำนวนเหมือนกับว่าไปเกิดใหมน่นะคำพูดประเภทเนี้ย นั่นแหละมีโทษเท่ากับปานาติบาตเลยถึงไม่ต้องก็ลงไม้ลงมือเองอ่ะเนะะ็คําคำพูดอันนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากันอย่างเช่นถ้าหากว่าเห็นคนคนหนึ่งไปประทุษดายคนดีเนี่ยแล้วก็เพเอินเขาเขาถูกตำรวจยิงตายแต่คนไปเห็นปุ๊บก็เลยสมอำนาสมไปเลยดีใจด้วยนะตายซะได้ก็ดีเข้าๆข้าขานฐานอันนี้ก็ ไม่ได้ตรงแต่ก็ได้โดยอ้อมเวลาเขาทำบาปแล้วก็ดีใจที่เขาทำบาปเนี่ยนะก็คือถ้าเป็นร0อยเปอร์เซ็นตก็แบ่งมาสักสามสี่สิเปอร์เซ็นะ<ม>ก็แบ่งบาปเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่นะมุทิตาอย่างไงอะก็มุทเขาบอกแล้วมุทิตานะอันนี้ถ้าเป็นอันนี้ครบครอบองนะถ้ามุทิตาเนี่ย ทำมุทิตาเนี่จะได้บุญมากนั่นแหละแต่ภาพปาณาติบาตก็สมมุติว่าไม่ได้ก่อนหน้านั้นอ่ะเพียงแต่ฟังแล้วก็ดีใจไปกับเขาอ่ะนะก็ไม่ถึงกังกบร่วมกรรมบดอ่ะยกตัวอย่างแบบพระโพธิสัตว์อดีตชาติน่ะนะญาติญทั้งหลายเขาไปหาปลามาได้เยอะโอ้ดีนะดีใจกับเขาแหมได้ปลาเยอะมากดีใจกับเขานะอัะนนะั้นกรรมมัะนนะั้นทาให้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกฆ่าหรอกแต่ว่าแค่ปวดหัวนั่นแหะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแค่ปวดหัวอย่งนั้นแต่ ปวดหัวก็ไม่ได้ปวดธรรมดานะปวดแบบสำมรมวา่าอาจจะไม่เกรนว่านอนไม่หลับกินไม่ได้ลักษณะปวดแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ดีใจกับเขานี่ก็มีโทษมากนะดีใจที่เขาทำบาปนะแต่ทามุทิตาในบุญนี้ก็ได้อ น, นิสงเยอะนั่นแหละแต่ถ้าไปสรรเสริญไปยกย่องไปยินดีกับเขาอะไรกับเขาแล้วก็แล้วเจตนาที่ที่ทำไปด้วยนะว่ามันมีกำลังขนาดไหน ถ้าไปยินดีในกับที่เขาทำเนี่ยกับผู้มีคุณธรรมชั้นสูงจริงๆนะโอ้ดีก็ได้ฆ่าพระอรหันต์องค์นั้นได้ก็ดีอย่างเงี้ยอันนั้นก็หนักมากนะคืออยู่ที่วัตถุที่เราไปดีใจว่าบุคคลที่ถูกฆ่าไปเนี่ยคือเป็นบุคคลระดับไหนนั่นเอง